ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปทางนอกมันมีภัยเดี๋ยวก็ไปเจอเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรต่ออะไร การสำรวมจิตวยภายในอันนี้มันปลอดภยัยดังนั้นใน้พึ่งพากันสำรวมจิตใจของตนให้ดีการสำรวมจิตก็อาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละระลึกเข้ามาที่กาย ระ ล, ลึกเข้ามาที่ใจใจตัวเองตั้งอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรก็รู้เรียกว่าเมื่อเมื่อรู้ว่าใจมันไม่ค่อยตั้งลงก็พยายามเพ่งใจเข้าไปให้มันตั้งลงไปอย่าให้มันฟูขึ้นมา ่อยรับอารมณ์ต่างๆภ า, า, ายนอกอยู่อย่างนั้นอันนั้นชื่อว่าเป็นภูมิสำรวมใจการสำรวมใจมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วเบื่อต่อความทุกข์ไม่อยากมาสวยทุกข์ อยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ก็ต้องสำรวมใจไม่ให้มันไปเกาะไปคล้องมันถึงจะพน้นจากวัฏฏะสงสารอันนี้ไปได้ถ้าไม่ฝึกสำรวมใจปล่อยใจให้มันไปเที่ยวเกาะเที่ยวคล้องอยู่ทั่วไปแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้แนละ้วจิตเนี่ย ตายแล้วก็วกเวียนอยู่ในโลกอันนี้แหละหนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้เลยเว้นเสียแต่ผู้มีบาปกรรมหนักอันนั้นจะอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้บาปกรรมมันฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมินู่นไอผู้ที่มีจิตลนเวียนอยู่ใน โลกมนุษย์ของเรานี่มันเป็นเพียงแค่ว่าจิตใจมันไปผูกพันอยู่ภายนอกมันไม่สำรวมเข้าไว้ภายในถ้านั้นแหละเป็นเหตุแห่จิตวิญญาณอันนี้ล่องลอยอยู่ในโลกอันนี้ <c oughs> หาที่เกิดแล้วโตวมีบุญน้อย จะไปเกิดกับคนก็เกิดไม่ได้อไปมาก็ไปเกิดกับสัตว์เดรัจฉานนั่นเองอันนี้ต้องพิจารณาให้มันเห็นถ้าไม่พิจารณาให้เห็นเหตุผลเหล่านี้แล้วมันจะไม่สำรวมใจมันจะปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอำนาจแห่งความอยากความปรารถนา เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัิตันหาจะมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีบรรดาแม่น้ำน้อยใหญ่ข้างหลมันก็ไหลหลังท้งเทลงไปสู่สมหาสมุทรทะเลอันมหาสมุทรทะเลนั้นยอมไม่อิ่มจากน้ำสักที ทั้นใดจิตใจของบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงก็ไม่อิ่มกับน้ําคือตัณหาเช่นเดียวกันนั่นแหละได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมีแต่อยากได้ร่ำไปเห็น ไม่อยากได้ใหม่เรื่อยไปของเก่าเบือ่อนายอเห็นของใหม่มาเอายินดีชื่นชมไปในของใหม่ถ้ า, ากว่ามีอายุยืนอยู่ตั้งสักพันปีมันก็จะเพลินไปอยู่ในพันปีนี่คนผู้ไม่รู้ตัวไม่ตื่นตัวไม่เห็นภายในสงสารไม่ได้ฟังคําสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกก็จะต้องถูกความอยากนั่นครอบงำจิตใจเมื่อความอยากมีเราอาวิชาเข้าไปอีกทำจิตให้ไม่รู้ไม่ชี้อะไรไม่รู้จักบาปบุญผุนโทษอะไรอย่างนี้นะอวิชากับตัณหานี่มันเป็นคู่กัน เพราะฉะนั้นผู้ได้สดับคํคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสมควรที่จะเห็นโทษของกิเลสตัณหาเหล่านี้มันไม่มีสิ้นสุดจริงๆเราจะยับยั้งความอยากความปรารถนาอันนี้ได้ก็ด้วยการทำสมาธิภาวนานี่แหละหรือว่าด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่ ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วมันยิ่งอยากไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเมื่อมันอยากมาแล้วรู้ว่าทำอย่างนั้นมันเป็นบาปเสวงหาเข้าของเงินทองอะไรน้มันเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรมันก็ไม่ฟังมันก็ดิ้นลนหาไปอย่างนั้นน่ยก็จะขอให้ได้มามันจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรอะไรก็ช่างมัน ลงรูยบาปเอาเลยทีเดียวบุคคลผู้หนาแน่นอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาเป็นงั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปปล่อยใจให้ล่องลอยไปตามอำนาจแห่งความอยากความอยากมันก็เกิดขึ้นจากความวิตกหรือความคิดนั่นเองเนี่ยนั้นการ การทำจิตใจเป็นสมาธิเนี่ยจึงช่อว่ามันเป็นการระงับความยากในหัวใจนี่ให้มันเบาบางลงไปอย่าให้มันอยากมากเกินไปนั่นแะมันมันมันสงบได้จริงทีเดียวถ้าใจรวมลงไปได้แล้ว แต่คั้นเมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วมันก็อยากความอยากมันก็ตามหลังคืนมาอันบุคคลผู้ไม่ละมันถ้าได้ละมันเช่นนี้แล้วแม้สมาธิมันถอนออกมาความอยากมันก็ไม่ตามหลังมารามีตั้งแต่ความรู้สึกเป็นปกติ รู้แจ้งในสังขาร น, นามรูปตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้พากันนึกถึงพุทธภาตินี้ไปสอนใจของตนเข้าไปว่า <c oughs> แม่น้ำใหญ่น้อยทั้งหลายเนี่ย กว่ามากแสนมากขังอยู่ในมหาสมุทรทะเลแสนกววงจนมองไม่เห็นฝั่งเลยน้ำนี่มันมากถึงขนาดนั้นเลยพูดถึงทางลึกก็ลึกเป็นพันพันเมตรลงไปนู่นอย่างนี้นะแล้วพระศาสดากรยงยังทรงตรัสว่า ยังไม่มากเท่าตัณหาของคนตัณหาของคนนี่มากกว่านั้นพระองค์เจ้าแสดงไว้ดังนั้นเราเอาไปคิดไปตรองให้มันเห็นเมื่อเห็นแล้วมันจะได้เบื่อหน่ายในตัญหาเหล่านี้จะไม่ได้สะสมมันให้หนาแน่นขึ้นในใจ มีแต่ตัดทอนให้มันน้อยเบาบางไปเรื่อยเรื่อยเริ่มต้นก็แต่ตันหาอยากฆ่าสัตว์ตันหาอยากลักทรัพย์ตันหาอยากประพฤติผิดในกามตันหาอยากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําอยากพูดเพ้อเจือเล้วไหลตันหาอยากเดิม สุราเมรยัยกัญชายาผิ่นเฮโรอีนของเสพติดใ้โทษต่างๆมุรนี้อันนี้เป็นตันหาอย่างงับควรละตันหาประเภทนี้แหละก่ อ, อนเลยทีเดียวถ้าถ้าไม่ละตันหาประเภทนี้แล้วจะไปละตันหาที่สูงขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้ไม่มีทางจะละได้ การที่จะละตัณหาไอ้อย่างละเอียดทุก ข, ขุมไปกว่านั้นได้มันต้องละตัณหาส่วนหยากนี้ให้มันได้เสียก่อนเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสานาในเวลาบวชอยู่มันก็ไม่มีอะไรแหละไม่ได้ทำบาปก ร, รมอะไรพระวินัยบังคับราะมีการควบคุมกันอยู่ บุคคลเพียงแต่ไม่ทำชั่วด้วยเกรงกลัวต่อผู้ปกครองเท่านั้นเนะ่ยมันก็ไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละทันเมื่อห่างไกลจากผู้บังคับบัญชาผู้ปกครองอย่างนั้นไปแล้วอย่างศึกษาลาเพศออกไปแล้วอย่างนี้มันก็จะกลับไปทำชั่วเหมือนเดิมมันออ มันจะรักษาความดีความศักด์ความจริงในใจตัวเองไว้ไม่ได้เลยคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นไงนี่แหละความจริงใจในธรรมวโรเป็นสิ่งสําคัญนะรู้อะไรเรารู้จริงแท้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมเลยความรู้อันนั้นนะมันก็ปรากฏอยู่ในใจเรื่อยไป แต่คนส่วนมากรักษาความรู้สึกอย่างว่านี่ไว้ไม่ได้มีแต่ปล่อยให้มันเกิดความรู้สึกไปในทางลบอย่างที่เขาว่านั่นนะเรียกว่า hmm. วิตกไปในทางบาปอากุศลกรรมนั่นนะมากกว่าที่จะวิตกมาในทางบุญกุศล mm hmm. เป็นอย่างนั้น บุคคลผู้ไม่ทำสมาธิภาวนาไม่ฝึกใจของตนให้สงบระ ง, งับมันย่อมมีโทษมีภัยต่อตัวเองมากมายทำให้เป็นคนที่เรียกว่าหาความสุขไม่ค่อยจะได้คนมีจิตใจเลื่อนลอยเนะี่ย เพราะว่ามันแสบหาแต่เรื่องทุกข์หาแต่เรื่องไม่ดีบุคคลผู้มีใจอ่อนแอเลื่อนลอยแล้วกิเลสมันก็ครอบงาได้กิเลสมันจะไม่จูงไปในทางสุขสบายเลยมันจะจูงไปในทางทุกข์ทางเดือดร้อนนั่นเองก็ ย, ยางไงเพราะฉะนั้นเราต้องภาวนากำจัด ความอยากความหิวในหัวใจนี่ออกให้ได้อย่าไปอยากดิ่นลน้นทะเยอทะยานเกินขอบเขตในการแสวงหาทรัพย์สมบัติเราไปเกินขอบเขตแล้วมันก็ได้ทำบาปอย่างที่ว่ามานั่นไยดังนั้นเรื่องบาปนี่สำคัญมากนะในชีวิตของคนเรานี่นะ ผู้ใดเว้นบาปได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาสูงพอได้ทีเดีย ว, วอ่ะเพราะว่าเมื่อบุคคลใดเว้นบาปได้แล้วทาแต่บุญกุศลอย่างเดียวบุญกุศลมันก็จะเริญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจิตใจไม่ได้วกเวียนไปหาบาปอีกเนื่องจากวละมันขาดไปแล้ว อ, อย่างนี้เลยชีวิต จิตใจอันนี้มันก็จึงได้ก้าวหน้าไปก้าวจากมนุษย์ก็ไปสู่สวรรค์ในเมื่อมันยังไม่ถึงพระนิพพานก่อนนั้นอา้าวกลับจากสวรรค์ก็มาสร้างบุญบา ร, รมีในโลกนี้อีกมีแต่สร้างบุญกุศลบัณฑิตไม่ทำบาปคนผู้รู้จักเว้นบาปได้ในชาตินี้แล้ว เชื่อบุญเชื่อกุศลจริงๆแล้แม้ตายไปเกิดมาใหม่อีกมันก็มาสนใจในเรื่องบุญกุศลนัลล่นแหละนิสัยเก่านะมันติดตามมามันเคยฝึกมาอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นอย่งว่าการทําความดีต่างๆวันนี้เราต้องฝึกเอาจนมันชินจนมันเคยชินในใจนู่นนั่นนั่นเอง เช่นนย่วก่อนนอนไม่ได้ไหว้พระองนี้ก็นอนไม่หลับเขาเคยไหว้พระมาเป็นเสียแต่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั้นทำอะไรทำให้มันเป็นนิสัยไปเลยอันนี้แหละที่ท่านว่านิสัยปัจจัยนะเราฝึกตนให้เป็นผู้มีนิสัยอันดีเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะ ไปอย่างนั้นเพราะคนแต่ละคนเนี่ยมันมีทั้งนิสัยชั่วมีทั้งนิสัยดีติดตัวมานี่นะด<ม>ันเรามาต้องมาพยายามละนิสัยอันชั่วร้ายต่างๆออกไป<ม>การภาวนาเนี่ยมันต้องรู้อย่างนี้ถ้าไม่รู้จุดมุ่งหมายอย่างนี้นะนั่งภาวนาอยู่ไปสักกี่ปีกี่เดือนมันก็ไม่ได้ผลเลย กิเลสก็แห้งเบาบางจา ก, กจิตใจไม่ได้ต่อเมื่อใดไ ด, ได้มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนเข้ามาอยู่ภายในเพ่งภาวนาเป็นอารมณ์อยู่นี่เรียกว่าขั้นสมถะคือการทำใจให้สงบ เมื่อใจสงบลงไปแล้วเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาธาตุสี่ขันหานี่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปตามควา ม, ความเป็นจริงความเป็นจริงขันหานี่ไปไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายจากกันไปดินก็ไปหาดินน้ำก็ไปรวมอยู่กับน้ำไฟก็ไปรวมอยู่กับไฟ ลมก็ไปรวมกันอยู่กับลมไปแล้วบันนี้แยกกันออกไปแล้วสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีแล้ววันนั้นนะอ่อมันเป็นอย่างนี้เรื่องของวิปัสสนามันต้องเพ่งพิจารณาให้มันเห็นชัดๆลงไปบางคนก็ยังไม่รู้ว่าขันห้าเป็นอย่างไรหรือว่ารูปนามเป็นอย่างไรอย่างนี้มีคนไม่รู้อยู่เยอะแยะเลย มันจะรู้ได้ยังไงจิตใจของตนยังอยัางลงไปสู่วิวปัสสนานั้นยังไม่ได้ตนยังไม่เคยคิดไม่ชำนาญพิจารณาอะไรเช่นนี้นะมันจะรู้ได้ยังไงนั่นแหละก็เพิ่งรู้ซะการเจริญวิปัสสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กำหนดเพ่งดู ธาตุสี่ขันธ์ห้า 4, 4, 5, นั่นแหละก่อนอื่นนะเมื่อเวลาร่างกายสังขารมันวิปัตรลง <c oughs> ทุกคนเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละแน่นอนนะความตายขวางหน้าอยู่นั่นเลยหลีกไปพนะ้นเตรียมตัว ตายด้วยแล้วก็พยายามเกรียมตัวเกรี่ยสเสบียงกลางคือบุญกุศลให้มากไว้ใน จ, ใจิตใจนั่นมันเป็นเงินอันเรื่องของปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เตือนตนอย่างนี้เลยไม่ให้ประมาทเตือนตนให้ะระลึกได้ว่า ชีวิตนี่มันมีความตายเป็นเครื่องมาตัดรอนไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไปจนตลอดกาลนานไม่มีอั น, นั้นเกิดมาในชาตินี้อายุก็ยิ่งน้อยด้วยไม่เท่าไหร่ก็ตายจากโลกนี้แล้วเราก็เห็นกันอยู่ด่าดืนเรายังไม่ตายแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเัิน อาจตายไปก่อนแล้วอ่ะนั่นแหละวก็ทบทวนดูสิจะเราจะไม่ตายเหมือนกับท่านที่ตายมาแล้วหรือไม่มีมีใครรอดไปได้เมื่อนึกได้อย่างนี้มันก็ไม่ประมาทนะสำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลหัดปรงหัดตรังขันธ์ห้านี้ลงไป ขันห้านี่ก็เคยอธิบายแยกแยะให้ฟังมาแล้วหวังว่าก็คงรู้กันรูปมันก็หมายถึงวัตถุที่มองเห็นด้วยตาวัตถุอันไดที่มองเห็นด้วยตาแล้วจัดเป็นรูปทั้งนั้นเลยแต่ว่าอวัยวะร่างกายภายในนี่ เราจะมองดูด้วยตาหนังนี่ก็ไม่เห็นดอกเราต้องมองดูตัวด้วยตาในคือตาปัญญานั่นแหละดังนั้นเนี <c> ่ย <oughs> ก็ต้องมองดูให้มันเห็นส่วนที่เป็นรูปนั้นส่วนที่เป็นนามบ่เนี่ได้แก่เวทนา เวทนาแปลว่าจิตจิตสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างถ้าเป็นเวทนาห้ากอกเพิ่มเข้าอีกสองโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนานี่ยินดีหลายมันก็เป็นทุกข์ยินร้ายหลายมันก็เป็นทุกข์ ไม่ไม่ควรที่จะสำคัญว่าความยินดีปิติในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองในลาบในยศต่างๆหมนั้นอย่างรุนแรงนี่ถือว่าเป็นความสุขสบายใจไม่ใช่หรอกมันยินดีมากเกินไปหลายบางคนก็หัวใจวายตายก็มีอย่างไปดูเขาชกหมัดชกมวยกัน แม้แต่ดูอยู่ในโทรทัศน์บางไลนนะเห็นเขาชกกันล้มลงทำท่าจะตายบางอย่างเนี่ยตัวเองก็เลยเกิดหยุดหายใจขึ้นมาหายใจไม่ออกในที่สุดก็หัวใจวายตายในขณะนั้นเลยนี่แหละคนไม่ฝึกใจตัวเองนะปล่อยให้มัน ยินดีอะไรต่ออะไรให้มันมากจนเกินขอบเขตโทมนัดความคับแค้นใจก็เอาคับแค้นเอาเหลือล้นพ้นประมาณจนไม่เป็นอันอยู่อันกินนอันโมเนี่ยมันทำให้คนหัวใจวายตายไปโดยเร็วดังนั้นก็จึงฝึกฝึกจิตใจตัวเองนไว้ให้มันเป็นกลางอยู่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเอ อย่าให้มันหลงยินดีเกินขอบเขตอย่าให้หลงยินร้ายจนเกินประมาณในโลกสงสารอันนี้นะต้องมีสติหกักข้ามจิตใจตัวเองให้ได้เนี่ยพวกเวทนาหนะ้าน่ะให้พึ่งเข้าใจแต่เวทนานี่ก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่ ส, าาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลย เหตุด้านนักภาวนานักปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องเพ่งเวทนาเนี่ยให้รู้เท่าให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะถูกทุกขเวทนาในครอบงำจิตจิตใจก็จะปวนปั่นวนไว้ไปอยู่อย่างนั้นนะสัญญาความจําหมายก็จําสุขจําทุกข์จำดีจําชั่วนั่นเองจําร้อนจําหนาวจํำอดีตจาอนาคตจําปัจจุบัน สังขารสภาพที่ถูกปรุงแตง่งจิตให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างอ่าวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่นะรวมเรียกว่านามธรรมมีอยู่สี่ประการอย่างนี้จากนั้นให้พากันรู้ไว้เมื่อรู้แล้วต้องเพ่งพิจารณาให้มัน เห็นลงว่าเป็นของเกิดของดับอยู่อย่างนั้นไม่จิรังยั่งยืนเลยไม่มีอะไรเป็นของยั่งยืนทั้งที่ไม่ไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เนละเป็นแต่ความรู้สึกในทางดวงจิตเท่านั้นเอง ที่บอความรู้สึกสัมผัสในระหว่างกายกับจิตกระทบกันก็ให้เกิดเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจไว้จิตใจมันก็มาหลงยึดหลงถืออยู่ในขันห้านี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่ มันจึงพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารอันนี้ไปไม่ได้พ้นจากความเกิดนี่นะนนความได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาแนละ้วก็มาเฝ้าอยู่อย่างนี้มารักษาดูแปลปนปือมันรักษาเท่าไหร่มันก็ไม่ยั่งยืนให้ถึงเวลามันแปรปรวนสุดโส ม, มันก็สุดโสมไปแปรปรวนไปแตกดับไป อ, อย่างนี้นะ ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองให้มันเห็นแจ้งในขันห้านี้เข้าไปเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันเพ่งดูแล้วมันจะได้รู้ว่าขันห้าไม่มีสาระแกนสารอะไรเลยเป็นแต่เพียงที่อาศัยของดวงขิดในชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วขันห้านี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายลงนี่ เทศเจรนาทุกวันทุกคืนไปมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งไปอย่างนี้นะไปไปแล้วมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอ่ามันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเบื่อหน่ายเท่าไรมันก็ขายความกำหนัดยินดีในขันห่านี้ไปเท่านั้นเลยที่มันยังไม่เบื่อไม่หน่ายก็เพราะมันยังไม่รู้แจ้งอย่างที่ว่ามานั่นแหละ แม่รู้แจ้งขันห้านี่ตามเป็นจริงมันจึงหวงเห็นมันไว้หลงยึดหลงถือเอาไว้ยึดถือเอาไว้ด้วยความยินดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้างนี่นะคําว่ายึดถือนี่นะถ้าหากว่าเราไม่ยึดถือนี่หมายความว่าเมื่อร่างกายอันนี้ มันเป็นปกติก็ไม่หลงยินดีเพลิดเพลินกับมันเมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติแปลโพนไปก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกกับความแปลโพนของขันห้าอันนี้นี่อันนี้แหละเป็นลักษณะของบุคคลผู้ไม่ยึดถือขันห้านะหรือถ้าจะว่าให้เพิ่มเติมเข้าไปอีกก็เช่นใครด่ามามันก็ไม่โกรธอืม ใค้สนเสริญเยิอนยอมามันก็ไม่เพลิดเพลินไม่ลืมตัวทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นอันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกหัดปล่อยวางขันห้าอันนี้ด้วยการเจริญปัญญาวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ อันที่จิตใจมันดิ้นรนเดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะมันหวงขันห้ามันสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราเพราะฉะนั้นสอนใจของตนอย่าให้หวงมันทุกวันทุกคืนไปเนี่ยเราก็จิบพ้นทุกไปโดยลำดับดังแสดงมา